สักวันที่เรานั้นอาจได้พบกันอยากรู้ในเวลานี้ข้างบนนั้นสบายดีหรือเปล่าเธอจะอยู่อย่างไรบอกกับฉันให้รู้ที แต่อมองหาเธอเจ็บตรงนี้ที่ที่มีแค่ฉัน ตรงที่ที่มีแค่ฉันนั้นรอเธอมีอย a ่จริงกังวลตรงนั้นใช่ไหมฉันเชื่อสักวันที่เรา เชื่อสักวันที่เราเนริ่ม่าน